ประโยคหนึ่งที่เราคงได้ยินบ่อยๆนะไปชีวิตเต็ม ร, อร้อยเดี๋ยวนี้ก็มีคำพูดหรือสำนนวนทำนองนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะอาจจะไม่ตรงเป๊ะทีเดียวเคยไปเห็นร้านกาแฟร้านหนึ่งเขาเขียนข้อความโฆษณาเชิญชวนลูกค้าถ้าจะแปลเป็นไทยคือว่าเก็บเกี่ยวได้มากขึ้นนะจากชีวิต get more out of life เก็บเกี่ยวอะไรนะก็เก็บเกี่ยวความสุขถ้ามากินกาแฟร้านเขาเนี่ยก็จะมีความสุขมากขึ้นก็จะได้อะไรดีๆจากชีวิตมากขึ้นนั่นสินั่นคือความสุขเช่นเดียวกันใช้ชีวิตเต็มร้อยเนี่ยใช้เพื่ออะไรนะก็เพื่อความสุขเพื่อได้มีความสุขอันนี้มันข้อความหรือสำนวนแบบนี้มันสะท้อนนอะไรบางอย่างนะสะท้อนว่าชีวิตเป็นสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราต้องเราต้องเอาต้องใช้ ใช้ชีวิตเพื่อตักตวงความสุขหรือว่าเก็บเกี่ยวความสุขจากชีวิตให้ได้มากๆมันเป็นความคิดที่จะเอาจากชีวิตแต่ไม่ค่อยนึกถึงนะไม่ค่อยนึกถึงเรื่องการให้อะไรกับชีวิตมากมากกว่าชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องเอาเป็นสิ่งที่ต้องหาประโยชน์ เป็นสิ่งที่ต้องเก็บเกี่ยวให้ได้มากมากนะคนไม่ค่อยได้นึกถึงนะการให้อะไรกับชีวิตและทำไมถ้าเราไม่ได้ให้อะไรกับชีวิตเลยเนี่ยชีวิตจะให้อะไรกับเราได้มากน้อยแค่ไหนเป็นที่ผู้คนคิดแต่จะเอาเนาะเอาจากคนนั้นคนนี้รวมทั้งเอาจากชีวิตด้วย แต่ถ้าเราไม่คิดจะให้อะไรกับชีวิตเลยนะชีวิตจะมีอะไรให้เราได้บางคนไม่ค่อยคิดอย่างนี้เท่าไหร่คิดแต่จะเอาคิดแต่จะใช้จะไม่ได้คิดถึงเรื่องการดูแลการเอาใจใส่การบำรุงการดูแลชีวิตชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรต้องรู้จักให้นะ ให้อะไรนะก็ให้สิ่งดีๆกับชีวิตสิ่งดีๆกับชีวิตนี่เนี่ยมันก็ที่สำคัญก็คือการให้เวลาให้ความใส่ใจกับชีวิตแต่ผู้คนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเวลาที่จะให้กับชีวิตเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจที่จะดูแลชีวิตคิดแต่จะเอา ให้ได้เยอะๆหรือว่าคิดแต่จะใช้มันเพื่อสนองปนเปอือปนเปอืออะไรนะปนเปื้อตัวกูสมมติว่าปนเปื้อตัวกูได้ก็ก็คือความสุขจากการเสพรวมทั้งคำสระเสริญเยินยอชื่อเสียงเกติยศ ความสนุกสนานชีวิตเนี่ยถ้าเราไม่ให้สิ่งดีๆกับเขาเนี่ยนะเราจะเอาจอากชีวิตเนี่ยมันก็ได้ไม่มากเราก็ได้ไม่นานการให้สิ่งดีๆกับชีวิตเนี่ยนะถ้าพูดให้เป็นรูปธรรมนะก็คือการให้สิ่งดีๆกับกายและใจนะเพราะชีวิตนึงก็ประกอบด้วยกายกับใจ สิ่งดีๆสาหรับร่างกายคือสุขภาพแต่ทีนี้เนี่ยผู้คนส่วนใหญ่ก็เอาแต่ใช้กายเพื่อสแสวงหาความสุขหรือว่าบำรุงบำเรอนะตัวกูเราใช้ร่างกายนี้เพื่อสแสวงหาความสุขจากการเสพ เวลาเรากินอาหารเนี่ยถ้าเราคิดแต่จะเอานะมันก็จะกินเพื่อความสุขเพื่อความรอร่อยใช้กายในการเสพอาหารเพื่อเก็บเกี่ยวความสุขความรอร่อยคนส่วนให ญ, ญ่เป็นอย่างนั้นเนี่ยใช้กายในการเสพอาหาร โดยหวังหรือมุ่งความอร่อยอร่อยแต่ถ้าเราคิดจะให้สิ่งดีๆกับร่างกายในยเวลาเรากินอาหารเนี่ยเราก็จะก็จะเลือกกินแต่สิ่งที่มีคุณภาพมีประโยชน์ต่อร่างกายอันนี้คือความแตกต่างนะคนที่คิดจะเอาจากร่างกายเอาประโยชน์จากชีวิต หรือคนที่คิดจะใช้ชีวิตเพื่อการเก็บเกี่ยวความสุขเนี่ยการกินอาหารก็คือการใช้ร่างกายในการเสพเพื่อวความเบลิดอร่อยเพื่อวความโก้เกะเพื่อสนองตัวกูแต่ถ้าเราคิดจะให้อะไรกับร่างกายให้อะไรกับชีวิตเนี่ยเราก็จะกินเลือกกิน สิ่งที่มีประโยชน์มีคุณภาพเพื่อมอบสุขภาพให้กับร่างกายของเราทุกวันนี้เราใช้ร่างกายเนี่ยนะในการแสวงหาตักตวงความสุขนานาช น, น, น, น, น, น, นิดเลยซึ่งบ่อยครั้งมันก็ลงเอยด้วยการที่เกิดโทษกับร่างกา ย, ยาเช่นกินเพื่อความเร็จอร่อยเนี่ย สุดท้ายสิ่งที่กินเข้าไปมันก็เป็นโทษต่อร่างกายทำให้เป็นโรคหวัวใจโรคเบาหวานโรคเกาโรคอ้วนอันนี้เรียกว่าเป็นผลจากการใช้ชีวิตเต็มร้อยนะหรือเป็นคนเป็นผลเา็รการที่มุ่งเก็บเกี่ยวความสุขจากชีวิตจากร่างกาย แต่ถ้าเราคิดว่าเนี่ยชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะมอบสิ่งดีๆให้นะเวลากินเนี่ยเราก็จะกินแต่สิ่งที่มีประโยชน์มีคุณภาพหรือเพื่อให้เกิดสุขภาพที่ดีและมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องความประดิษฐ์อร่อยนะที่เราใช้กายในการตักตวงเราใช้กายเพื่อการตักตวง ความสุขแบบอื่นเช่นความบันเทิงเริงรมไม่ว่าจะความบันเทิงจากตาหูจมูกลิ้นหรือกายเราใช้กายแบบไม่ญญบรรยับบรรยังนะในการหาความสุขจากการเที่ยวกลางคืนจากการกินเหล้าสูบบุหรี่หรือว่า เซบอบายามุกนพวกนี้เนี่ยมันเป็นทั่วกับร่างกายนะแต่ว่ามันให้นะความสุขแบบหยาบๆนะแก่จิตใจหรือที่จริงเนี่ยมันเป็นการปนเปื้อตัวกูมากกว่านอกจากความบันเทิงลมๆแล้วก็เป็นความตื่นเต้นนะซึ่ง คนโดยไม่น้อยเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกมีชีวิตชีวาแล้วเดี๋ยวนี้คนเราก็เสพติดความตื่นเต้นความตื่นเต้นจากการพนันหรือความตื่นเต้นจากเกมนะออนไลน์วิดีโอเกมไอ้พวกนี้เนี่ยพอเสพไปมากๆนี่ร่างกายก็แย่นะ มีคนในเกาหลีเนี่ยเล่นเกมออนไลน์36ชั่วโมงแบบ nonstop เติกต่อกันจนหัวใจวา ย, ยไม่กินไม่นอนอาจจะกินแต่ว่าไม่ได้กินเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้นอนเพราะมันติดนะนี่ก็เรียกว่าคนที่มุ่งใช้ชีวิตเพื่อการเก็บเกี่ยวความสุข สุดท้าก็ใช้กายเนี่ยในการนะหาความสุขจนกระทั่งกายเนี่ยมันทนไม่ไหวเพราะไม่ได้พักเลยแล้วก็เกิดความเครียดนะจากการใช้กายในการเสพสุขยังไม่มาพูดถึงประเภทว่าหาความตื่นเต้นจากการแขนะ่งลดสิ่งอันตรายมันตื่นเต้นเราใจแต่ว่า ร่างกายอาจจะพิกลพิ ก, การจากอุบัติเหตุนี่ก็เป็นเพราะใช้กายในการเสพสุขมันก็มาจากความคิดนะที่ว่าเนี่ยใช้ชีวิตเต็มร้อยมันก็จะลงเอยแบบนี้แหละคือคิดแต่จะใช้ชีวิตแต่ไม่คิดที่จะดูแลชีวิตไม่คิดที่จะให้อะไรดีๆกับชีวิตแล้วคนที่คิดจะให้อะไรดีดกับชีวิตเนี่ยเขาก็จะดูแลร่างกายไม่ใช่กินอาหารที่ ถูกสุขลักษณะแต่จรวมถึงการออกกํลาลังกายรวมนั่งรู้จักพักผ่อนด้วยเพราะว่าของการใช้ชีวิตเต็มร้อยเนี่ยสุดท้ายร่างกายมันก็ไม่ได้พักผ่อนเพราะมันใช้กายไปนในการเสพสุกนาน า, นาชนิดรวมทั้งความสุกทางเพศความสุขจากอบายมุกเสพจนไม่ได้พักวันทีก็หัวใจวายนะขาเตียงเนี่ย ที่พูดมานี่ก็เป็นก็เฉพาะเรื่องการใช้กายนะในการเสพสุขนะใจก็เหมือนกันนะก็คิดแต่จะใช้ใจเนี่ยเพื่อการนะปนเปืปนเปื้ออะไรนะปนเปกิเลสปนะนเปตัวกูนะซึ่งมันก็เป็นเรื่องเดียวกันนะตัวกูกิเลสเนี่ยใช้ใจในการคิดนะ ที่จะตักตวงไม่ใช่เพราะสิ่งเสพแต่จะรวมถึงลาบยศนะสารเสิญเสร็จแล้วก็เกิดความโลภเผาล่นใจเกิดความโกรธนะเผาลนใจเกิดความเกลียดทิ่นแทงใจนะจากการใช้ใจนะไปในลักษณะนั้นสุดท้ายใจก็แย่ ใจก็เครียดกลัดกลุ่มบางทีก็เกิดโรคซึมเศร้าขึ้นมาเพราะว่ามันมีแต่ใช้ใจแต่ไม่คิดที่จะบารุงไม่คิดที่จะรักษาแค่ใช้ใจในการคิดจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพื่อที่จะสนองอกิเลสของตัวเนี่ยมันก็ทำให้ใจของคนเรานี่มันย่ำแย่อยู่แล้ว เกิดอาการที่เราจิตสลายนะเบิร์นเอาต์เบิร์นเอาเนี่ยมันไม่ใช่แค่หมดไฟทางกายนะว่าใจมันหมดหมดสภาพเพราะการใช้ใจอย่างไม่บัญญัติบัญญังเพื่อสนองกินเลสป น, นเปอดอัตตาพู้นี้สุดถ้าสู่ไปเนี่ยมันก็มาจากความคิดที่ว่าเนี่ยใช้ช่วยให้เต็มร้อยใช้ช่วยให้เต็มร้อยหรือว่า เก็บเกี่ยวความสุขจากชีวิตให้ได้มากมากแต่ไม่คิดที่จะให้อะไรกับชีวิตไม่คิดจะมอบสิ่งดีๆให้กับกายและใจสิ่งที่ดีๆสำหรับ ก, กา ย, ยก็อย่างที่บอก น, นะสุขภาพการออกกำลังกายการพักผ่อนส่วนสิ่งที่ดีสำหรับใจเนี่ยคืออะไรนะมันก็ ได้แก่ความคุณงามความดีบุญกุศลที่สำคัญคือสติความรู้สึกตัวถ้าเรารักชีวิตเนี่ยนะเราคิดที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับชีวิตเนี่ยไม่คิดที่จะใช้มันอย่างเดียวเนี่ยมันก็ต้องรู้จักนะเติมความสึกตัวให้กับชีวิตจิตใจยเยอะๆเติมสติให้กับจิตใจมากๆ เพราะสิ่งนี้เป็นพื้นฐานเลยนะจะว่าไปแล้วความทุกข์ที่มันทำร้ายร่างกายแล้วก็บรนทอนจิตใจเนี่ยสูบรวบยอดคือไอ้ความหลงนี่แหละหลงก็ลืมตัวเป็นท่าของความสุขจากสิ่งเสษเป็นท่าของกิเลสตัวอย่างที่พูดมาเนี่ยพูดที่ว่าใช้กาย ใช้ใจเนี่ยจนกระทั่งย่ำแย่กายก็ป่วยหัวใจวายตายหรือเป็นโรคร้ายส่วนใจนี่ก็เสียศูนย์เบิร์นเอาจิตสลายหรือซึมเศร้าจนคิดจะฆ่าตัวตายไม่อยากอยู่เนี่ยสุดท้ายเนี่ยสาวไปงนี้ก็คือความหลงนั่นแหละความไม่รู้ตัวปล่อยให้กิเลสมันครอบงำ อะไรที่จะไม่อะไรที่จะป้องกันไม่ให้ใจเนี่ยจมอยู่ในความหลงก็คือความรู้สึกตัวนี่แหละมันเป็นปฏิปักษ์ต่อกันและความหลงเนี่ยมันจะความรู้สึกตัวมันจะมีได้ต้องมีสติมาเป็นเครื่องหนุนช่วยกํากับสนับสนุนถ้ามีความรู้สึกตัวเนี่ยนะไอ้การเสพการบริโภคการใช้ชีวิตเนี่ยมันก็จะอยู่ในความพอดี จะไม่พ่ายแพ้ต่อกิเลสนะหรือว่าหลงติดกับความสุขนะที่เรียกว่ากรรมมาสุขจนกระทั่งใช้ชีวิตหรืออปให้ร่างกายมันย่ำแย่ย่ำแย่เพราะอบอายมุขเล่ายาย่ำแย่เพราะแสงหาความสุขอย่างไม่รู้จักปัญญาปัญญัง หรือว่าไปแสวงหาความตื่นเต้นเร้าใจจนร่างกายมันหมดสภาพหรือพังภาพไปถ้าเรารู้จักนะเติมหรือมอบสิ่งดีๆกับชีวิตเนี่ยมันมีอะไรที่จะเป็นสิ่งที่จะช่วยชีวิตเราเนี่ยจเจริญงอกงามได้นะน อ, นอกจากความรู้สึกตัว ด้สติเราจะรู้ได้รู้อะไรต่างๆมากมายที่ดีๆรู้ว่าบุริเล่าเนี่ยไม่ดีรู้ว่าการผิดศีลมันไม่ดีความโกรธไม่ดีแต่ตาบใดที่ขาดสติขาดความรู้สึกตัวนะไอ้ที่รู้มาก็ไม่มีประโยชน์นะมันก็ยัง ทำไม่ได้อย่างที่เขาพูดว่าเนี่ยดีช่วยรู้มหมดแต่อดใจไม่ได้อดใจไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันแพ่แพ้ต่อกิเลสมันแพ้แพ้ต่อกิเลสเพราะว่าไม่มีสิ่งที่จะมาคอยรักษาใจอันได้แก่สติความรู้สึกตัวศีห้น 5, ่าจะรู้ว่าดีแต่ก็ทําไม่ได้นะเพราะว่ามันขาดสติไม่มีความรู้สึกตัว เราจะเรียกว่าความดีทั้งมวลเนี่ยนะหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อช่วยจิตใจเนี่ยมันต้องมีความรู้สึกตัวเนี่ยแล้วก็สติเป็นพื้นฐานจะเรียนรู้มาสูงแค่ไหนจบปริญญาตรีโทเอกแต่ขาดสติขาดความรู้สึกตัวมันก็ลืมตัวจนได้แล้วก็พ่ายแพ้ต่อกินเลยพ่ายแพ้ต่อสิ่งร่เราเย้ายวนเพราะนั้นเนี่ย เมื่อเราเลือกที่จะมาปฏิบัติทมที่วัดนะหรือว่าแม้จะอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาเลยว่าชีวิตเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเนี่ยมันก็ต้องหาทางที่จะสร้างความสึกตัวหรือเพิ่มความสึกตัวให้เกิดขึ้นมากๆนอกจากการเจริญสติรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกอย่างที่เราทำกันที่นี่ แล้วก็มีรูปแบบเช่นการเดินจงกรมการสร้างจังหวะหรือจะตามลมหายใจไม่ว่าจะใช้รูปแบบแล้วก็ตามนถ้าเราจับหลักให้ได้นะว่ามันเป็นไปควรเป็นไปเพื่อความรู้สึกตัวเพื่อการมีสติอันนี้ก็ททำให้เราเนี่ยสามารถที่จะดูแลชีวิตดูแลกายละใจไปในทางที่ถูกได้ และนอกจากการเจริญสติในรูปแบบแล้วนะต้องทำความสึกตัวให้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันแม้จะไม่ได้นั่งสร้างจังหวะแม้จะไม่ได้เดินจงกรมตื่นนอนขึ้นมาเก็บที่นอนอาบน้ำถูฟันล้างหน้าก็ทำดท้วยความสึกตัวถึงแม้ว่ามันจะขัดกันทิศสายความเคยชินเดิมๆที่เวลาทำก็ ทำแต่ตัวแต่ใจไม่รู้อยู่ไหนใจลอยไอ้การทำแบบนั้นแหละที่จะทําให้จิตของเราเนี่ยมันไม่มีเครื่องปกปักรักษาแต่พอจิตเนี่ยมันไม่มีเครื่องปกปักรักษามันก็ก็จะเป็นจิตเกเรจิตเฉโกจิตอันตพานพอจิตอันตพานหรือจิตที่เฉโกขาดปัญญาแล้วก็พากายไปในทางเสื่อมทางเสียสุดท้ายชีวิตก็ย่ำแย่ ชีวิตย่ำแย่คนเดียวไม่พอทำให้คนอื่นพอย่่ำแย่ไปด้วยครอบครัวพ่อแม่ลูกหลานก็พอยเดือดร้อนไปด้วยการให้เวลาเพื่อสร้างความรู้สึกตัวเนี่ยมันไม่มีคำว่าขาดทุนหรือว่าเสียเวลานะไม่ว่าจะ ทำมากหรือทำน้อยเนี่ยมันก็มีประโยชน์แต่แน่นอนถ้าทำมากมันก็ยิ่งมีประโยชน์มากขึ้นแล้วมันคุ้มค่านะกับการให้เวลาและความเพียรพยายามแม้ว่ามันจะไม่ถูกใจแต่ก็จริงก็ไม่ถูกกินเลสมากกว่ า, าการที่เราจะทำอะไร นะด้วยใจเต็มรอยนะอันนี้ไม่เหมือนกับใช้ชีวิตเต็มรอยนะก่อนที่เรารู้จักใช้ชีวิตเต็มรอยต้องทำอะไรด้วยใจเต็มรอยสก่อนซึ่งส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยได้ทำอย่างนั้นเท่าไหร่เราทำอะไรก็โดยใจที่ใจลอยนะไม่ใช่ใจเต็มรอยแล้วก็อยากจะปล่อยให้มันลอยไปแบบนั้นไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นที่จะดึงจิตกลับมาให้มารู้ อยู่กับกายว่าอยู่ให้รู้อยู่กายที่กำลังทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ตัวอยู่ไหนใจอยู่น่านึกเอาไว้นะมันเป็นหลักง่ายๆที่มีอา น, นิสงส์มากยิ่งมาอยู่วัดแล้วเนี่ยนะปัจจัยก็เอื้อมหนวยให้ทำสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าอยู่บ้านอยู่ข้างนอกมันก็จะมีสิ่งดึงจิต ด, ดึงใจออกไปจากเนื้อจากตัว ทำอะไรด้วยความไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะแต่พออยู่ที่นี่เนี่ยมันก็มีปัจจัยมากมายที่เอื้อให้ใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นสิ่งที่จะดึงจิตให้มันหลออกไปนอกตัวมันมีน้อยลงมีสิ่งแวดล้อมที่ช่วยกระตุ้นเตือนให้เราเนี่ยเจริญสติทำความสึกตัวเพราะมีเพื่อนนะทำกันทั้งในรูปแบบแล้วก็ ในชีวิตประจาวันให้เป็นแบบอย่างให้กับเราถ้าไม่ใช้โอกาสนี้เวลานี้ในการนะมอบสิ่งดีๆให้กับใจคือความรู้สึกตัวดยสติแล้วเนี่ยมันก็ไม่รู้จะหาโอกาสไหนอีกนะแต่ถึงแม้ไม่ได้อยู่วัดนะก็ต้องพยายามเปิดโอกาสสร้างโอกาสให้กับตัวเองให้กับชีวิตของตัวเองอย่าคิดแต่จะใช้ชีวิตเต็มร้อยแต่ว่า ไม่สามารถที่จะทำอะไรด้วยใจเต็มร้อยได้อยากคิดแต่จะเอาอะไรต่ออะรมากมายจากชีวิตโดยที่ไม่คิดที่จะให้สิ่งดีๆรือความรู้สึกตัวนะสติสมาธิหรือว่ากุศลธรรมให้กับ จ, จิตใจไม่ต้องเตือนใจอยู่เสมอนะที่จะดูแลใจหรือว่าสร้างความรู้สึกตัว ไม่ว่าทำอะไรตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ก็จะพยายามมีความรู้สึกตัวมีสติกับสิ่งที่ทำอยู่กับปัจจุบันอย่างต่อนเนื่อง